ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันสักกยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าอุบาสกกล่าวกับเธอว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับเธอก็ไม่ยอมรอจริงหรือท่านพระอุปนันสักกยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า